กวาดสายตาด้วยแล้วว่าใครที่มีอายุพรรสมากกว่าหลวงพ่อก็ไม่มีนะหลวงพ่อนี่นอกจากพระพุทธลูกก็มีหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ได้ <c oughs> ยินแม่ลูกหลานไม่มีแต่พระพุทธลูกแล้หลวงพ่อยกกราบคารวะสูงสุดนะจากนั้นก็มีแต่พระน้องนุ่งนุ่ลูกๆกห ล, กลานหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อได้กราบพระพุทธลูกอยู่ข้างบนเลยละ่ะ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 อายุมากขนาดไหนพรรษาสูงขนาดไหนเราก็รับไม่ได้เพื่ออะไรเพราะพูดไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นการฟังต้องฟังเอาหลักเหตุผลเท่านั้นแหะเป็นหลักนะไม่ได้ฟังเอาเสียงใคร่เราะสนอโฉดพูด อ, อ, องคนั้นยศท้าบรรดาสวงสักสูงสง่าพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องฟังด้วยหลักเหตุและผลเมื่อเราฟังเหตุผลแล้วเหตุผลเป็นที่ยอมรับ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 ยังก่อนพระเจ้าค่าพระข่าพระองค์ยังไม่ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติดูแล้วข่าพระองค์จะมากลาบภูนพระพุทธองค์เมื่อภายหลัง ฮ, ง ฮ, งฮงะนี่แหละฟังๆเลยสิหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ฟังไปแล้วก็เชื่อทีเดียวไม่ใช่นะฟังไปแล้วก็นําไปคิดการกลองแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลฮะเออ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 ขอให้ไปดีเนอะไปสู่สุขตีพบเนอะเอออะไรเงี้็คือพอไปเสร็จแล้วก็วางดอกไม้จันโอ้โหสิให้ซึ่งกันและกันจากนั้นก็มานั่งพอมานั่งเสร็จแล้วทนันทีอีกเพดานก็เราก็าไผ่เอาไฟเผาเลยทา่าเออเผาคุณแม่ อ, อกองศีลเลยท่เนี่ยพอเสร็จแล้วนะคุณแม่กองศีลก็ไปตามลําพังแลยท่าเนี่ยเออเพราะร่างกายถูกเผาแล้ว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 บางขวางราดยาวนั่นแหะทีนี้เอาไปคุกมืดนั่นแหะเอาไปรักษาอย่างแข็งขันเพราะโทษมันหนักเลยถ้าโทษไม่หนักเท่าไหร่ก็เนี่ยเอาไปขังอยู่ที่สปตนายงขังวันจวันสี่ห้าอย็นวันเขาก็ปล่อยออกมาถ้าโทษหนักกว่านั้นเขาเอาไปขังอยู่เมืองอุดรนี่แหละอันนี้มันโทษหนักโทษเบาโทษเมืองผีก็เหมือนกันนั่นแหละนรกก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าหาว่าเอาไปขังทวัตโทษมันมีโทษหนัก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 ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาสรุปแล้วอันนี้คือพื้นฐานจากนั้นเมื่อพวกที่เคยภาวนาที่จะเดินทางวิปัสสนาอันนั้นคือทำจิตใจให้สงบระดับสมัทธะสมัทธะคือทำจิตใจให้นิ่งทำจิตใจให้สงบแต่เพียงเราก็รู้รู้อะไรเป็นพื้นฐานแหละอย่างพระพุทธเจ้าดิเมื่อพระทายใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง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 เออต้องมีทุกคนคิดอย่างน้อยต้องคิดชั่วละออโมโหโกธาขึ้นมานเ อ, อ่อย่างน้อยก็คิดชั่วถ้ามากกว่านั้นก็ทำชั่วพูดชั่วทำชั่วเออมันไม่ใช่จะทําดีตลอดไอ้ํำชั่วกรรมชั่ ว, วตัวนั้นแหละจะพาพวกเราไปตกต่ำอาจไ ป, ไปตกไปตกนรกออไปเกิดในภพภูมิต่างถ้าเราคิดดีตลอดออพวกเราก็นะ่ะเป็น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 สัมมณเนนก็าตามพระก็าตามท่านให้กรรมฐานห้าขอนนะเกซาให้พิจารณาผมนะโลมาหนักาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาย้อนไปย้อนมาให้พิจารณานะคือไม่ให้มันหลงเดี๋ยวนี้ใจของร้อนมันหลงร่างกายไม่ใช่หลงอย่างอื่นหลงร่างกายตัวเองนั่นเป็นอันดับแรกคือหลงร่างกาย ว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลึกๆง อ, อยู่ในนั้นกินอร่อยนอนหลับได้ของที่ถูกใจได้สามีภรรยาลูกหลานได้เงินคำทรัพย์สมบัติพัฒฐานจริงไหนก็ตามได้มาน่ยหลงลืมสรุปแล้วคือคือหลงร่างกายตัวเองว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นเอมันหลงมันห ล, ลงร่างกายเดี๋ยนี้พระพุทธเจ้าดูว่าให้พิจารณาดูนะเกสาโลมาน า, าตันตาตะโจ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 ชํำแหละเนื้อไปกองหนึ่งเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าสําและออกไปเป็นกองกองขึ้นมาสาสบสองกองเลยเพราะอาการสาใสบสองแช่ในร่างกายของเราทีนี้เราถามได้สิว่าผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมมันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรใจของเราไปให้ความสาคัญว่า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 จันนี้มันมาย้อนถึงตัวผู้รู้คือใจท่านเนี่ยเพราะนี้เราพิจรารณาทางด้านปัญญานะแยกแยะทางด้านปัญญาเมื่อพิจรารณาเห็นร่างกายเสร็จแล้วมันย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจนี่แหละตัวนี้แหละสาคัญนะจะไปเห็นแต่กายเฉยเฉไม่ได้นะย้อนมาหาตัวผู้รู้คือนามพระธรรมาคือใจร่างกายเนี่เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมใจแต่นี้ก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้ใจใจที่ผ่านความสงบไปแล้วมันมองเห็นใจเลยใจมองใจใจมองตัวผู้รู้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 จะเป็นลูกของพระพุทธทเจ้าที่แท้จริงแต่พวกเราเมาบวชก็จริงอยู่ในสีสาโลนกับผ้าเหลืองแต่พวกเราทำออกนอกลูก่นอกทางทำเหมือนกับคราวาสเขาทำแล้วจะทำยังไงมันไม่ใช่เป็นพระนะ่นเนี่เป็นคราวาสก็ไม่ใช่ อ, อย่าเป็นโยมก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรเถอะเป็นอารัชีเป็นพระอารัชีอารัชิตา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 แต่หลวงพ่อมอบให้สมผา น, นเนอสมผานเพื่นเพื่นไดใ้ใจพ่อ ง, งานของเพิ่นกันยังจิมี่ทำบุญนั่นอีกตอนนันอีกนะหลวงพ่อมอบให้เพื่อนแต่หลวงพ่อก็บบ่ยากีอวดว่าเมื่อเพื่นไปเนี่ยหลวงพ่อกับตวายเพื่อนมากหนึ่งหมื่นมามอนอกมนี่หลวงพ่อกัคิดว่าหลวงพ่อก็คิดว่ า, างานเบิ่งเบงมา เส้นศรัทธาญาติโยมมาหลายหลวงพ่อมันนี้เลยถวายอีกสองหามือนเนี่ยวันนี้นะหามือนมาให้ร่วมกับมือนเป็นหกมือนมาร่วมเดนอีกเป็นแปดมือนเน่หลวงพ่อถวาย เ, นนาเพิ่นนะไอ้เพิ่นในไสในงานเพิ่นนะลูกหลานนะ